มันเริ่มเสียงอ่ยอยๆเสียงมันไม่ได้กินข้าวลุงแต่ยังไม่ได้กินข้าวแต่เสียงไม่มีแรงเลยช่วงนี้เขาน่าหน า, หนาวอากาศ เ, านๆๆนเริ่มเปลี่ยนแปลงเอยากระวังสุขภาพ เป็นรอยต่อทำไมอากาศเปลี่ยนแปลงทาไมร่างกายธาตุขันปรับตัวไม่ทันเกิดความไม่สบายมีเจ็บไข้ได้ปุวย <c oughs> จริงๆ้วมันก็เป็นธรรมชาติธรรมธรรมชาติมันซ้อนเรา แต่เราเราในที่มมหมายถึงมนุษย์ไม่รู้ว่ากานสอนอย่าง ท, าที่ทรรมาตท่านบอกว่า <c oughs> สิ่งเหล่านี้เราเห็นกันทุกคนแต่ว่าเห็นโดยตาเนื้อตาหนังกรมาได้ไม่เนื้อตาไหนที่เรื่อปัญญาเราเลยไม่ให้ความสำคัญ ความสำคัญก็เสิ่งเอล น, นี้น้อยอะไรความสำคัญเราจะเห็นความเ ป, เปลี่ยนแปลงเห็นความแตกต่างธรรมะมันเกิดขึ้นตรงนี้ชีวิตของมนุษ์นั้นมีสีเรื่องที่ต้องศึกษาทำควารเข้าใจให้มันจองกันนั้นคือ เ, คเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย เรื่องสีเรื่องนั้นขึ้นวันกันผู้ที่ชาพูดมาเป็นสองพันปีมาแล้วก่อนที่พระองค์จะออกบวชผู้สังง่ายๆมานซาเราพระองค์ก็เห็นสิ่งเหล่านี้แต่ไม่เข้าใจเพียงถามเสนาอำมัตว่าทำไมเพราะอะไรแต่พระองค์ก็คนมีปัญญา เการเกิดการเกิดคนเจ็คนตายแต่ในนั้นเขบอกเป็นสมณะยังเรียกว่าเทวทูตซึ่งพวเราก็เห็นกันทุกคนเห็นกันทุกวันแต่ประเด็นก็คือเห็นแล้วไม่เกิดปัญญาเห็นได้กต่เฉยๆมาแล้เห็นสรรพสิ่งทั้งหมด ที่เป็นมาตรฐาเราเห็นนั้นมันไม่ปัร ญ, ญาประเด็นยู่ตรงนี้เพราะในเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายณเวลานี้ทุกคนใช้เสร็จแล้วสามอย่างคือหนึ่งเกิดใช้เสร็จไปแล้วหมดไปแล้วนะชีวิตจะไปใช้ออย่างนี้ไม่ได้ แกอันนี้คือใช้เจ็บก็มีประจำอยู่แล้วทุกคนต้องมีจะบคยได้ปล่อยเป็นประจำตลอดใครจะเป็นมากเป็นน้อยเป็นประจำไม่ประจำเป็นเรื่องหนึ่งแต่วทุกคนเป็นหมดทุกคนมีหมดทุกคนไม่มีคนไหนที่ไม่มีแอบบอกสุขภาพดีไม่เป็นอะไรเลยเป็นแต่ว่าจะเป็นมากหรือเป็นน้อยก็ได้ไม่มีใครที่ไม่เป็นเลย แต่ใครบอกไม่เป็นเลยนะ่ะคือประมาทมีความประมาทเกิดขึ้นมือประมาทกดชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ระวังเป็นนั้นสามอย่างให้เราใช้เสร็จหมาแล้วเหลือเสธิ์สุดท้ายที่ยังไม่ได้ใจตอนนี้คือตายกลับกลายเป็นว่าความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นใหาสะเปริงกลัวไม่อยากเจอ ไม่อยากเผชิญหน้าบานรู้ตัวว่าจะตายก็ทวนทุรายเป็นทุกข์ร้องหอมร้องห้าแทนที่จะทำใจแทนที่จะวางอารมณ์มองอบเป็นกลางบอกเป็นเรื่องปกติเปเรื่องธรรมดาแล้วเร่งเรียบแสวงหาทำความเพียรทำคนสนทานนั้นมากขึ้น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 เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกตินีนคือ เ, คเกจ็บตายท่านยำ้ำก็หมายถทอว่าอะไรเกิดอ ะ, อะไรเกยอะไรเจ็บอะไรตายส่วนที่มันเกิดเกยเจ็บตายมันคือกายนี่คือสี่งที่พระเจ้าทรงคุณภพอ ง, งค์ทงคุทรงคิดว่าทำยังไงถึงจะออกแก่สิ่งเหล่านี้ได้ ถึงจะหลดจาวงจรสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือคนหาวิธีทรมานทรกรรมร่างกายสารพัดจนสุดท้ายจะรู้ว่าโอ้จนอดข้าวอดปลาอดน้ำถึงอดถ้าถึงตายมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยเพราะกายก็คือกายใจก็คือใจมันคนละส่วนกันนีมโนทั้งหลายแยกไม่ออกเรื่องกายเรื่องใจ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 ให้มันให้มันมีขึ้นสิ่งที่มันไม่เคยเป็นพ็ให้มันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นคนที่ภาวนามีคำนิยา ม, มการประกวา่าใครที่ภาวนาคนนั้นเป็นผู้เจริญคือใจเจริญไม่ใช่กายเจริ ญ, รญส่วนร่างกายเจริญนั้นมันตรงกันข้ามกับความหมายในทางธรรมเราเห็นว่ารูปร่างกายที่มันเจริญ จริงๆแล้วมันไม่ได้เจริญมันเสื่อมเราพูดอยู่เสมอว่าวัยเจริญพันธุ์คือเติบโตนั่นแหละเราเห็นความเติบโตตั้งแต่เด็กหนมจนแก่เราบอกว่าเจริญประถามว่าสุดท้ายาบอกว่าแกน่นมันเจริญขึ้นตรงไหนไม่ได้เจริญลงมิได้แกลงมีแกลงแก่ลงไปล ง, ล ง, ลงอันนี้ร่างกาย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 แต่ที่มันไม่ถูกใจคือใจก็ ค, คือกิเลสตั้งเองแต่เราเลี่ยงที่จะไม่พูดจากนั้นมันจะไม่จะคุยกับไม่ถูกกิเลสเพราะเราก็เลยยิ่งเลี่ยงมากเท่าไหร่เราก็ค่อยรู้จักสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้พูดถึงไม่ได้คิดถึงบ่อยๆในสิ่งเหล่านี้จิตใจเราก็ห่างเคินกันสุดท้ายกลายเป็นสตรูอีกไม่เอื้อม เังนั้นเราคิดถ้าเราคิดอย่างนี้ก็คือเป็นบุคคลที่คิดผิดภาษาพระเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือจิตคิดเอาไว้ผิดตั้งเอาไว้ผิดไม่จิตมันตั้งเอาไว้ผิดมันก็จะอยู่อย่างนี้แบบเดิมธรรมดาธรรม ด, ดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชีวิตเราก็เดิมๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทางที่ดีขึ้น จ้องกันข้ามก็เหมือนกับร่างกายถ้าเราไม่รีบไม่เร่งสุดท้ายมันก็อ่อนลงอ่อนทุกอย่างหูตาจมูกเลียงกายคือร่างกายมันก็จะอ่อนเกลีก้ยกลัอมทลายมันจะมีอยู่มันก็จะองสุดท้ายก็หมดเรี่ยวหมดแรงสุดท้ายพยาวรรัจราก็พรากจากกันไปอันนคือวราระสุดท้ายนั่นแปลว่าใช้เสริ์ครบหมดคือตาย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 อะไรทุกอย่างสีเสือ้อลดลาสารพัดที่มีอยู่จริงๆแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นจิตมันปยุดเอาไว้ว่าเป็นเจ้าของเจ้าของแน่คือของเราของเขาสองคำนี้มันมีของเรามีของเขาสุดท้ายจิตมันก็เกิดยึดติดเกาะอยู่ในสิ่งเหล่านี้ทั้งท่านที่ก่อนแนะนำนัน้นไม่ใช่เลย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 ส่วนรูปร่างกายที่เรามีอยู่เรายึดกันมานานจนไม่รู้ว่ายุดตอนะะนั้นมันจึงปล่อยวางยากจิตมันวางสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ที่มันวางไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่เคยคิดที่จะวางเลยเราเคยคิดแต่คิดอยู่เสมอของเราของเราของเราของเร า, อ, เราอยู่อย่างนี้ตลอดเวล า, ายเป็นทรัพย์กายเป็นมรดกที่เราจะต้องคิดต้องถือต้องอาศัย ซึ่งมันไม่ใช่แล้วถ้าคิดอย่างนี้ถือว่าคิดผิดเราก็ตั้งใหม่จิตมันตั้งได้มันไม่ต่างยากพอคิดผิดก็ตั้งผู้ใหม่ตั้งจิตใหม่ตั้งความคิดใหม่ว่าอันนี้เป็นของอาศัยชั่วคราวมันไม่ได้ของใครของคนใดคนหนึ่งแม้แต่รูร่างกายเราก็อาศัยชั่วคราวเดี๋ยวก็จากกันไปใช้เสร็จหมดแล้วก็หมดกันไป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 คือเร่ร่นไปเรื่อยวิญญาณเร่ร่นไปเรอยใครทำบุญก็โอทิศให้ก็อินดีอารมณนารับเอาก็ะเดยบุญได้กุศลเห็นไหมันรทรมานนะไม่ต้องอะไรมากคิดดูแค่โลกมนุษย์เราเนะี่ยคนที่ไม่มีบ้านพักคนที่นอนไปเรื่อยก็เหมือนเป็นคนเหมือนกับเรามีหัตาจมูกร่กายใจแสนขาตาเหมือนเราแต่เหตุใด ไม่มีหลักมีแหล่งไม่มีบ้านจ้าห้องหอก็อะไรเนี่ยคือเราตัวอย่างที่เราเห็นเห็นเงินอยู่นี่เพราะฉะนั้นอย่าประมาทในสิ่งเหล่านี้ขยันแสวงหาเพิ่มเติมให้มากขึ้นให้เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสง์ว่าสามอย่างสามสิ่งสามประการนี้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งสูง สูงสุดที่พึ่งของใจนอกจากนี้ไม่มีแล้วส่วนที่พึ่งของกายขเร า, าเช่นบ้านช่อ ง, งหองอื่นๆ น, น, นั้นเป็นที่พึ่งของกายถ้ามันกระเวนกับกายมันอยู่ไม่ได้ส่วนที่พึ่งของใจแต่มันถาวรถ้าใครทาได้แล้วเรามีที่พึ่งเหล่านี้หรืออย่างถ้ายังก็ควรจะรีบเรึ่งทําให้มี ให้น้ำมากขึ้นอย่างน้อยทุกวันจะต้องทําจะต้องนึกต้องคิดคือต้องนึกถึงท่านแต่ถ้าจิตเราไม่นึกถึงท่านเลยมันลําบากนะเหมือนกับมนุษย์เรานะเราไม่ได้ทําดีต่อกันเลยแล้วใครจะมาช่วยเราเราไม่เคยได้ให้ความช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เพื่อนญาติไม่สายพอถึงเวลาแล้ะเขาก็ไม่ช่วยเรารเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็เหมือนกัน พระพุทธระธรรมพระรยาสง์เราไม่ได้เคยนึกถึงท่านเลยในชีวิตประจําวันพอถึงเวลาบอกว่าช่วยหน่อยนะขอคุณพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยข้าพเจ้าหน่อยเถิดอันนี้ขอขอแบบพูดสั้นง่ายๆขอแบบด้านๆกต่ทางในปกติธรรมดา้วไม่ได้นึกถึงกันเลยแล้วใครจะไปช่วยท่านดังนั้นถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมอยู่ในใจแล้วไม่ต้องขอไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปบิงวอน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 เรามองข้ามแต่มันก็แสงสว่างเกิดขึ้นในขณะนี้เมื่อคืนมันมืดตอ น, น, นสว่างก็คือการจัดความมืดจริงๆความมืดมันก็นมีอยู่เป็นเพียงแต่ว่ า, ามันสว่างมันกระจัดชั่วคราวเท่านั้นเองจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราสามารถที่จะขจัดความมืดความบอดที่มองไม่เห็นคือปัญญาเกิด ข, ขึ้นในใจแล้วชีวิตของเราก็าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองเห็น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 ก็เพราะอะไรพราเราไปคิดอยื่นั้นตลอดเช่นเรื่องความทุกข์เรื่องอะไรเราก็จะอยู่กับความทุกข์กันนั้นตลอดพราเราวางไม่ได้ก็คือแบกเอาไว้นั่นเองแต่ถ้าเราวางคือปล่อยตัวนั้นให้เป็นธรรมชาติของเขาเราก็จะอยู่สบายสบายอันนั้นคือผลของกันปฏิบัติเไมะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราเพื่อทําให้จิตของเรานั้นวางคือกลางนั่นเองจิงตเราเป็นกลางทุกวันมันเป็นกลาง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 ความตายจะมาถึงแล้วนคจิตมันก็อยู่ความตายอย่างเดียวมันส่องมองนะมุสส่องมองมันจะไปไหนที่ไปของมันมันก็มีที่ไปถ้าจิตมันสบายมันจิตมันใสจิตมันเบานึกถึงบุญกุศลความดีจิตมันก็ไปในทางที่ดีต้องระวังความคิดแั้การภาวนาคือต้องการจำกัดวงความคิดเช่นเราเคยคึกษารพันคิด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 หรือว่าผลเป้าหมายในการปฏิบัติของเราขอให้พวกเราทั้งหลายได้ไปถึงจุดนั้นโดยเร็วทุกคนทุกท่านอันนั้นคือธรรม ะ, ละเล็กน้อยสําหรับป่าพวกเราสำหรับเช้าวันนี้ที่เป็นวันมะวันนี้สิบห้าค่ำเป็นเส้นใจในวันนี้ใจนิ่งไปประสองเป็ะนะจริญอมตะนา่าข้าวปลอาหารที่เราน้อมนำมาในวันนี้เพื่อเป็นอาหารกายนี่คืออาหารกายส่วนอาหารใจเราก็รับไปเร็วก็ให้พวกเราให้อาหารอย่างนี้ทุกวัน คือให้อาหารกายด้วยให้อาหารใจได้ทูกวันวเราก็เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันคือกายก็จเจริญใจก็จเจริญอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้จเจริญทุกวันข อ, ขอเราจเจริญเจริญทุกวันทุกคน